ในวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนส0บตรงกับวันที่ยี่สิดสิงหาหสองเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราทุกวันพระในพรรษาก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ความสำคัญและก็พร้อมกันก็ให้ตั้งใจ รักษาศีลห้าศีลอุโบสถให้ตลอดรอดฟังคือให้จบทั้งสามเดือนเพราะพวกเรารักษาศีลสามเดือนถ้าจะว่ามากก็มากและอีกส่วนหนึ่งในพรรษาดุวานาฝนอย่างนี้ธุระการงานของพวกเราก็รู้สึกว่าควรจะพักผ่อนน ทางสุขภาพด้วยทางสมองด้วยถ้าว่าพวกเรามีแต่คิดทําอยู่ตลอดไม่มีการพักสมองบ้างไม่ไม่คิดขนขวายเรื่องศีลธรรมเข้าสู่จิตใจบ้างาถ้าคิดไปทางโลกมันก็ไปทางโลกร้อยทางร้อยถ้าคิดเข้ามาทางธรรมะโดยก็เออเอาแบ่งแบ่งโลกแบ่งธรรม โลกก็ควรจะมีอย่าให้ขาดตกบกพร่องธรรมก็ควรจะมีบ้างไม่ใช่ก็จะไปทางโลกทีเดียวแต่ถ้ามาทางธรรมมากทีเดียวก็เราก็ต้องออกมาบวชนะั่นแหะถ้าเราอยู่ทางฆราวาสอยู่เราก็ต้องแบ่งเหมือนกันเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องในการทามาหาเลี้ยงชีพ แต่เราจะมุ่งมั่นแต่ว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพเท่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสคัญแต่พวกเราคิดดูให้ดีคิดดูให้ตลอดรอดฟังมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระประโยชน์ทางด้านจิตใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราเอาทั้งสองอย่างทั้งอาหารกายทั้งอาหารใจนั้นหลจะเกิดประโยชน์มากกว่า อาหารกายก็คือข่าวน้ำโภชนาอาหารอย่างพวกเราเสแสวงหาทรัพย์เนี่ยนี่อาหารของกายส่วนอาหารจิตใจนั่นคือธรรมะอย่างพวกเรามาประพฤติธปฏิบัติมานั่งภาวนามาสังเกตดูใจของตนเองว่าแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละเวลาพวกเราคิดนึกอะไรไปบ้างนึกคิดเรื่องอะไรบ้าง ทางพวกเราไม่ได้ศึกษามันคิดจุดทั้งวีทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนเราก็ไม่ได้สังเกตเราก็ไม่เห็นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้กําหนดตูเราไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้แต่เมื่อเราศึกษาเรื่อเรานํามาประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นได้ในเมื่อเห็นได้แล้วที่นี่ก็นั่นแหละเราจะมีวิธีกรรมอย่างไรวิธีการอย่างไรที่จะหาจะให้จิตใจมีกําลัง อจิตใจที่มีกําลังได้ในหลักของพุทธศาสนาทั้งโลกเนี่ยไม่ต่างแสวงเข้ามาหาเข้ามาขนเข้ามาอจึงเราจึงจะภาคภูมิใจว่าเราได้ทรัพย์สมบัติมากน้อยแต่ทางด้านจิตใจเนี่ยถึงเราจะไม่พูดถึงเราจะไม่อสแสวงหาแต่ในจิตใจส่วนลึกแล้วท่านให้ปล่อยวาง เนี่ยมันตรงกันข้ามหลักของพระศาสนาถึงจะพูดได้พูดก็ตามแต่ทางนอกเราถึงจะยึดไว้แต่ในใจลึกๆส่วนลึกของหัวใจแล้วท่านให้ปล่อยวางถ้าคนที่รู้ถ้าคนรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักวางตัวรู้จักวางใจรู้จักทําใจคนนั้นจะมีความสุขในใจลึกๆ สิ่งภายนอกโลกกระทําทั้งหลายจะมากระทบกระเทือนจิตใจก็เข้ามาไม่ถึงเพราะเหตุใดเพราะเรามีเกาะเรามีธรรมะนะล้อมรอบจิตใจของเราอยู่เพราะเหตุใดเพราะความปล่อยวางอ่เข้ามากระตีไม่ถูกว่างั้นอ่ะอมันตีงั้นมันถูกมันว่างเอ่มันว่างใจมันว่างใจมันปล่อยวางจนลึกๆอ่แต่ว่าภายนอกเนี่ยเราต้องทํา เราทําเต็มที่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ส่วนึกของหัวใจแล้วเราปล่อยวางนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านให้ทำให้ท่านให้ศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปุงกายวาจาใจของพวกเราเพนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่และ ว, วันพระก็ให้ถ้าอกตั้งใจศึกษาจริงๆพยายามนั่ง นั่งให้นานพยายามนั่งให้นานเท่าที่จะนานได้ถ้ามันปวดละ่ะหลวงพ่อถ้ามันปวดก็อดทนเพราะเราเคยทำการทำงานทุกอยาก่างลำบากกว่านี้เราก็ยังเคยอดทนแต่เมื่อเรานั่งภาวนานแล้วจะไม่ให้เจ็บให้ปวดจะเป็นได้หรือพอเร า, เาท้าขันร่างกายนั่งมันก็ต้องมี ถ้าเราไม่นั่งให้เจ็บให้ปวดเราก็จะไม่เห็นทุกข์อีกเหมือนกันนะนะั่นแหละแต่เราเห็นแต่ทุกข์อย่างอื่นแต่ทุกข์การนั่งสมาธิอทําจิตใจให้สงบสู้กับอารมณ์แต่ก็จะปวดเจ็บปวดทั้งร่างกายเห็บหลังปวดเอวปวดเอวนะ่ะในขณะที่นั่งอันนี้เราก็ต้องสู้ถ้าเราเห็นทุกข์ทั้งกายด้วยทุกข์ทางใจด้วยมันก็จะได้เกิดความ เบื่อหน่ายในจิตในใจอีกเหมือนกันร่างกายในกระทุกจิตใจในกระทุกไปรับรู้ร่างกายมันก็ทุกขนะ์ไงเพราะฉะนั้นให้พวกเราประพฤติปฏิบัติและศึกษาอันนี้แหละวิธีการดูจิตดูใจของพวกเราแต่ถึงยังไงในการปฏิบัติมันก็ต้องเป็นมาตั้งพื้นฐานฐานศีลภาวนาสําหรับฆราวาสญาติโยม แต่สําหรับพระสงฆ์กับศีล ส, สมาธิปัญญาศรีรายจารวัตถ้าภิกษุเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้มีศีลก็เป็นที่น่ายกย่องน่ากราบไหว้สักการบูชาแต่ถ้าว่าเป็นพระที่ไม่มีศีลทุศีลเป็นพระที่ไม่มียางอายไม่มีฮิลิโอตะ ป, ปะเป็นผู้ลำโบโลกมากอย่างนี้ ก็ไม่เป็นที่ยอมรับของคู่คนอเป็นที่ตําหนิงของคนทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่พวกฆราวาสญาติโยมก็เหมือนกันถ้าว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีศีลมีธรรมการพูดยาพาทีก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็เป็นที่ยอมรับของลูกของหลานของหมู่ของเพื่อนของวงสาคัญญาติ ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็สบายอกสบายใจด้วยเพราะว่าการพูดจาพาทีก็มีขอบขอบเขตถ้าจะดุดาว่าเกาก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้เป็นผู้มีเมตตาอยู่ในจิตใจคือถึงจะดุยังไงก็พยายามสอนให้เข้าใจว่าอย่าชะล่าใจนะจุดนี้นะอย่าหลงอย่าลืมนะให้ทำความเข้าใจไปนะ จุดนี้เป็นจุดที่ล่อแหลมเป็นอันตรายนะถึงจะดุดด้ยังไงท่านก่อนแนะนําสั่งสอนให้รู้จักในการวางตัวในการประพฤติกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเพราะในโลกนั้นมันมีมากลากหลายจริงๆที่จะเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นคุณสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นนี่ว่าแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืแนวทางของ พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้น ม, มีมากมากมายหลายหลายอย่างที่พวกเราจะต้องได้ฟังได้ศึกษาไม่ว่าสมัยนั้นไม่ว่าสมัยนี้เนี่ยสมัยในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องศีลเรื่องวินยัยให้พระสงฆ์ประพฤติธปฏิบัติถ้าพวกเราได้ ฟังได้ศึกษาแล้วก็ออสมควรนะสมควรพราะพุทธเจ้าจะได้บัญญัติสินออจังสมัยหนึ่งออพวกเราได้หลวงพ่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎก เ, ออเรื่องภิกษุดื่มสุราอย่างเนี้ยภออิกษุดื่มสุราในคร้างพุทธกาลคือพระกินเหล้าพูดง่ายๆเพราะพรดพุทธเจ้าเฉ็ตประทับอยู่ที่กรุง สาวัตถีสเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีจากนั้นท่านก็จ ะ, สะเสด็จไปกรุงโกสัมพีพร้อมกับพระสงฆ์ห้าร้อยพอเดินทางไปไปในระหว่างทางมันมีทางที่แวะในหมู่บ้านคามนิคมและคนทั้งหลายก็กบอกว่าพระพุทธเจ้าขา้าท่าน้้ำนั้นนะอย่าไปนะพญานาคดุนะคือพวกชาวนาชาวลัว พวกสาวสวนเขาเขาห้ามพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ท่านก็ทำหูทวนลมนะฮะมันได้ยินว่างั้นแต่ท่านก็เดินไปเปิดเดินไปพุทโธองก็รู้แล้วแต่ท่านก็ไม่ได้บอกให้พระสงฆ์ของท่านไปสู้นะท่านก็รู้แก่ใจเลยองไหนที่จะไปสู้แกบกับพญานาคว่างั้นท่านพญานาคอยู่ในด่าน ทา่านั่นนี่ยท่าน้ำนั่นเนี่ยดุร้ายมากทําให้คนตายมามากต่อมากแล้วว่างั้นพระพุทธองค์ก็ไปพักอีกที่หนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าคงองคง์งคงนี้ก็คงจะไม่เชยเล่นมือนกันแน่นั่นนะท่านได้สําเร็จโลกียะอไม่ใช่โล ก, กุตตะนะโลกียะโลกียะนี่เสื่อมได้เพราะงั้น่ะทําจิตให้สงบแล้วก็ภาวนามีอํานาจจิต เพ่งกระสินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟอย่างนี้นะ่ะมีอำนาจประการใทำตัวเอวให้เป็นหลายตัวได้อย่างพิชาของฤาษีสีภัยแต่มันมีในครั้งพุทธกาลแต่นี้พระองค์นี้นะ่ะชื่อพระสาคตะท่านสาคตะนท่านก็เดินเข้าไปหาพวกนี่นนะพวกนอกศาสนาพวกนิครนนะเขาเป็นอารามของเขาอยู่ติดแม่น้ำ เขาก็ให้ความเคารพพญานาคอย่างมากไว้เงั้ยแตะที่กองทรายกองนั้นอ่ะพญานาคไปรักษาอยู่ที่นั่นแต่นี่นั่นสากตะเนี่ก็เข้าไปเข้าไปก็ไปพูดกับเจ้าอาวาสเขาที่เป็นคนนอกศาสนาแต่คนคนนั้นเขาก็บอกว่าท่านแน่จริงเก่งยิงไปพักได้จะมีพญานาค น, นั่นดุนะฆ่าคนมามากก็ม า, มากแล้ว ภาษากระตาในท่านเป็นผู้ได้สําเร็จฌานโลกียว น, นี่ยโรกียะฌานเหมือ น, นแสดงฤทธิ์ได้เหมือนนั่นแหละแต่ไม่ใช่โล ก, กุตตะท่านก็ไปกเกี่ยญ้าลงไปในพื้นแล้วต่ท่านก็ปูผ้าปูนั่งแล้วก็นั่งขัดสมาธิแล้วเหมือน น, นั่งขัดสมาธิทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าภาวนาเหมือนนันะพบพญานาคเห็นหนึงควางตาพญานาคเหมือนนั่นแหละ ภพพญานาคมันมีพิษเนี่มันก็เลยเพ่งไฟออกมาเลยพอเพ่งไฟออกมาพระษาคาตาเพ่งไฟรับเลยไฟของสาคาตานี่มันแรงกว่าไฟพญานาคท้เลยไฟพญานาคมันเป็นเป็นไฟเอ่ออำนาจเพียงลิตรไม่มากนะแต่อำนาจของสาคาตาภิกษุเนี่ยแรงกว่าเลยทั้งที่จะปล่อยควันปล่อยฟันปล่อยไฟมา ไฟตนั้นกลับไปเผาพญานาคเสเองเหมือนกันเอะขอรัปล่อยไฟไมาอย่างแรงเองาษาคาตปล่อยไฟอย่างแรงไหมพญานาคผลใ้สุดพญานาคยอมอะยอมแพ้พอยอมแพ้แล้วภาษากตาก็เลยสอนให้พญานาคเป็นผู้มีสินให้เป็นผู้มีสินรักษาสินอย่าได้เบียดเบียนคนอื่นเขาคนอื่นเขาโก เขาก็กลัวเหมือนกันกลัวตายเหมือนกันเราก็กลัวเหมือนกันเพราะนั้นอย่าไปเบียดเบียนจึ่งกันและกันเมื่อพญานาคสอนให้เขาเป็นผู้มีศีนลนะทีนี้อพญานาคมีศีนลนะภาษากตถาก็เลยออกมาพวกอศาสนาอื่นที่เขาอยู่ น, น่นอนโอ้โหเก่งมากเขาว่างั้นนะไอพระลูกศิษย์สมณะโคโดมพุทธเจา้าจากนั้นภระศาสนาไปกราบพระพุทธเจา้าพอกราบเสร็จแล้วก็เดินทางต่อ ออกจากขามในคมนั้นไปจนถึงโกสัมพีว่างั้นะพอไปถึงโกสัมพีเนี่ยเขาก็ถามแนละ้วสิญาตโยมเขาก็ถามท่านพระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไรในที่พระผู้พระผู้เป็นเจ้าต้องการอยากจะได้แต่ว่ายังไม่ได้อยากจะฉันอะไรอยากจะได้อะไรท่าต้องการกบอกฟอกผมคณะสัตธาญาตโยมเขา เลื่อมใสเคารพอย่างเต็มที่ว่าเพราะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยพระนายหน้าหรือพือพระสัพพวคีพวกหกเนี่ยมันบอกว่า อ, อถ้าอยากจะถวายท่านก่อนเนี่ยสุราน้ําใสานะสีแดงเหมือนเท้านกพิราบออกมาถวายท่านเถอะท่านชอบงั้น อ, อ, อย่างนั้นเหรอจากนั้นตอนเช้ามาภาษากระตาเนี่ยไม่รู้ว่าพวกนั้นไปพูดก่อนแล้วว่างั้นเถอะท่านก็เดินไป พอเดินไปไปถึงหมู่บ้านเขาก็เอาถวายน้ําอสุราเข้าไปกันดื่มบ้านนั้นปะัะดื่มบ้านนี้เปังเออดื่มหลายบ้านต่อหลายบ้านพอไปถึงนอกวัดทนั้นแหละนอกบ้านท่านเองนอกเมืองท่านเองบาดไปทางหนึ่งจี่วนไปทางหนึ่งมาเนี่อลงข้างทางว่ะ ขนาดเป็นผู้มีฤทธิ์ขนาดนะั้นยังเมาแล้วกันชุลาได้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วกันเถอนอนหัวเปน็นคนละทิศละทางทีี้พระสงฆ์เห็นอู้ภาษากระตามเมาเล่างั้นกันจากนั้นเขาก็เลยหาำมาเนี่มาพระสงฆ์ก็เลยหามหาำเขาไปสู่วัดโกสัมพีพระพุทธเจ้าของเราท่านเสด็จไปแบพระคันทุกวันดีก่อนแล้วท่านก็เห็นว่าพระสงฆ์เอ เมาเล่าพระองค์ก็เสด็จลงมาลงมามาเห็นอามาเห็นเอาอันหัวไปทางนั้นเขาก็หันหัวไปทางทิศตะวันออกอันหัวไปทางพระพุทธเจ้าประทับอยู่นอนเฉยเมื่อไงคนมันเมาเล่านั้นเมาอย่างหนักฮะไม่ได้สนใจกระทั่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยถามว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายฮะต่ก่อนพระสากตาเนี่เห็นเราตถาคตเห็นเรานี่ แสดงความเคารพนอบน้อมอย่างสุดๆใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะแต่บัดนี้ทำไมภาษาคตะจึงไม่เคารพเราเลยนอนแผ่สองสดึงอยู่แน่วอพระาะภาษาคตะเมาพระเจ้าค่าะนี่แหละถ้าหากว่าภาษาคตะเมาอย่างนี้แหละเอาไปสู้กับพญานาคล่ะจะสู้พญานาคตายไหมไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะขนาดเอาไปสู้กับงูเรือน ง, งูเลือนก็ยังจะกัดอ่อนไม่ต้องว่าถึงพญานาคมัน พระพุทธเจ้านี่แหละตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็าตามดื่มสุราต้องปากิจติพระองค์พอบัญญัติวินัยอย่าไปดื่มสุราจะเป็นดื่มของหมืนเมาทำมืนเถาะดื่มของมืนเมาแล้วมันขาดสติถ้าพอขาดสติแล้วไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเห็นไหมเราต ถ, ถาคตยืนอยู่อย่างนี้ก็ยังนอน ไม่แสดงความเคารพเลยถ้าสมัยเกาะก่อนเขาไม่ดื่มชุราเน่ยเขาจะแสดงความเคารพนอบน้อมตถาคตผู้เป็นอาจารย์เป็นศาสด า, า, า, าของเขาแต่บัดนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยหเห็นไหมเนี่ยเีย่คนเมาเ ป, เป็นอย่างนี้ละ่ะไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักดีจักชั่วพระพุทธเจ้าแนะนําพระสงฆ์ที่เป็นบริวารดังนั้นพระองค์ก็จะเด็กขึ้นกุฏิพบที่พัก อย่างนั้นพระสงฆ์ก็เลยมานั่งสนทนากันในโรงศาลาทีนี่โอ้พระสากตาเนี่ยพวกเราก็คิดว่าท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์พอเข้าจริงๆพอดื่มสุราเข้าไปสุราพาเมาอีกอิทธิฤทธิ์หายเงียบไปหมดเลยวันนั้นเอสุราเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะพระสงฆ์ทั้งหลายเขาก็สนทนากันว่าั้นนไงไม่น่าดื่มเลยดื่มสุราเนี่ยพอดื่มเข้าไปเนี่ย อิทธิฤทธิ์ทางหลายแหลหายหมดเลยเหมือนั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ท่นานได้ยินด้วยทิพโสตะพระสงฆ์เหล่านั้นพูดคุยกันเหมือนนั้นแหละทิพโสตะคือหูเทพเหาือนนั้นแหละพระพรทธองค์เลยเจด็จลงมาถามว่าพวกพระสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอสนธนากันเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็กราบทูลว่าเนี่ยพระสากระตะนี่แหละกระผมยังพุทธเรืองยังไม่จบอยู่เหมือนนั้นถ้าว่าขนาดพระสากตะเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ สู้กับพญานาคได้เพ่งน้ำเพ่ ง, พงไฟเพ่งควันก็ไปหาพญานาคจนยอมแพ้แต่นี้อิทธิฤทธิ์ของภาษากตานี่หมดไปเล ย, ดยเดนเอเพราะงั้นมันเสื่อมหมดเลยเพราะดื่มสุราเพราะพระพุทธเจ้าได้บอกว่าเนี้ยไม่ว่าแต่ในยุคนั้นสมัยนี้หลือสีสมัยก่อนก็หเหมือนกัน พอดื่มสุราเข้าไปก็หมดอิทธิฤทธิ์เหมือนกันนรน้ำเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าสมัยไหนไปเจ้าข่าวถ้าษทที่ฤษีดื่มดื่มเหล้าแล้วมันหมดอิทธิฤทธินะ์พระพุทธเจ้าว่าสมัยหนึ่งมีกลุ่มมารแล้วมีคนในฐานะดีมาหนะ่อยอยู่ในกรุงพาราณสีท่านก็เบื่อหน่ายฆรวาส ก็เลยหนีไปบวชอยู่ในป่าหิมพ า, มานต์าพอไปบวชในป่าแล้วสิพวกกุลบุตรก็เลยติดตามแห่ไปบวช ด, ด้วยไอ้ั้งห้าร้อยคนไปบวชกับอาจารย์อาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนก็เป็นผู้มีความมุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจด้วยมากก็มีเป็นผู้มีอิทธิฤทธิอ์อสฤาษีมีฌานเหมือนกันแ่อากนั้นพวกฤาษีหลูกบริวารเนี่ยก็เลย ให้อาจารย์ฝากอาจารย์ไว้อยู่ในป่าเนี่ยพวกเราเข้าไปในเมืองไปฉันของเผ็ดของเข็มในเมืองกรุงพราราณสีเก็เลยชวนกันไปเกือบ5้าร้อยประันอะอยู่กับอาจารย์ไม่มากรือศีบนกไปไปก็ไปจำบรรษาไม่กลับมาจำบรรษาอยู่ที่สวนอุทยานของพระเจ้าพราราณสีพระเจ้าพราราณสีก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสลือสีเหล่านั้น เขาเป็นผู้มีศีลาจารวัตดีกิริยามารยาทดีก่อนนี่มวลเขามาฉันในเวียงในวังเป็นประจำว่างั้นแอ่ในสามเดือนแต่นี้พอเดือนสิบสองเพนเป็นวันนั ก, กษัดเนี่ยนักขัดตลกว่างั้นมวล ง, งานปีใหม่อย่างนั้นนะเพราะว่าออกพรรษาแล้วสมัยนะั้นมันไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมล่ ะ, ะเดือนสิบสองเพนพระจันทร์เต็มดวง ลอยขึ้นบนฟ้าเนะี่ยมันรู้สึกมันสว่างมากเขาก็เลยถือว่าวันนั้นเป็นวัน เ, เล่นนักกษัตริย์เอเล่นโขนเล่นอละเล่นเครื่องละเล่นต่างๆนะว่ากันเถ อ, เอสมัยนั้นทีนี้เขาก็เลี้ยงสุรากันทีนี้ครับลือสีเหล่านี้ก็มันกคงจะอ่อนหัดมั้งหรื อ, อจะจะทดลองก็ไม่รู้หรือว่างั้นเถอะทีนี้คนก็เลี้ยงสุรากันมาก ก็ให้ลือสีกินด้วยชยไนะอพอลงจากสำนักอ่าพระราชวังทานอาหารเสร็จแล้วก็เอายื่นแก้วน้ําจอกน้ําให้ลือสีกินเหมือนกันแต่ลือสีก็เห็นว่าไม่ใช้น้ำธรรมดาเขายื่นให้กินก็กินเลยแล้วเงั้ยพอกินทีนี่ก็พอมักถึงที่พักอ้ออ้อกลายเลยบัดไอ้คนไม่เคยร่องํากับล่อง ล, ลองล ไม่รู้อ่ะหนวดไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไม่รูวร้ว่าเออเครื่องทรงของลือสีออตะใบเนีหนังเสือเนี่ยมันไปนว่าตะลุยตะลายกันไปหมดแตในป่าอุทยานเหมือนกันเถอะสนุกสนานกันเต็มที่แล้วเหมือนกันเถอะเพราะมันเมาเนีมันเมาได้ที่เหาือนกันเถอะเนีผู้ไม่เคยร้องลาทําเพลงก็ร้องลาทําเพลงสนุกสนานเลยทีนี่ พอหายสางเมาขึ้นมาโอ้ตายเอ้อิอทธิฤทธิเรือ ว, ว่าจิตใจของเราเสื่อมมดเลยบาดเนี้วนั้นพ่อมพากันร้องไห้บ้านเนี่ยหรือสีเรานะั้นตายตายตายตายตา ย, ตา ย, ตา ย, ตายพวกเราจะไปทําอีกนาะทีนี้นะว่าอย่าไปดื่มอีกนะมดเลยว่างั้นพอดื่มเข้าไปแล้วสิ่งที่ไม่ควรทําพวกเราก็ทําเห็นไหมเนี่ย อ, อ่เห็นสิ่งที่ดี กลับเป็นของของของไม่ดีเอเห็นที่ของที่ไม่ดีกลับเป็นกลับเป็นของเป็นของดีฮะเพราะเหตุไยเพราะว่าเราขาดสติพอดื่มสุราตีนี้นก่พอจากนั้นมาก่อนรวมตัวกันได้โอ้ไม่อยู่นะไม่ควรจะอยู่เออถ้าซืนอยู่ไปก่อนเนี่อยอิออทธิฤทธิ์ของเราก็หมดแล้วกลับไปหาอาจารย์เหมือนกันก็เลยกลับไปหาอาจารย์ ก็เลยไปพูดให้อาจารย์ฟังสารภาพบาปเพราะงั้นสารภาพความผิดว่าโอ้พวกข้าพระองค์ไปได้ทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วไปดื่มสุราเขาให้มาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยขนาดนั้นก็ดื่มเขาอย่างเต็มที่ก็เลยเมากันในอุทยานเพราขาดจะติแล้วมันทำไปได้ทุกอย่างไปจออ้าอครับผมหรือสีผู้เป็นอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่แหละ ต่อไปในพวกท่านทั้งหลายจงสำรวมจงระวังนะเอถ้าสุราเนี่ย่ะหรือเมลัยเนี่ยนะถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันจะเสียหายอย่างนั้นนะพอมันขาดสติอคนขาดสติมันทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าอย่าดื่มนะหยุดเ อ, เอให้ปฏิบัติธรรมต่อไปเดี๋ยวฌานชะมาบัตก็จะเกิดขึ้นกับพวกท่านอีกถ้าพวกท่านสำรวมระวังอ แล้วก็ทำสมาธิให้แน่วแน่ขึ้นไปกว่านี้นะจากนั้นฤาษีเหล่านั้นก็เชื่อฟังอาจารย์ท่านกะ็บําเพ็ญจนได้ฌานสมาบัติกลับขึ้นมาอีก น, ะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเนะอฤาษีที่เป็นอาจารย์คื อ, คอเราตถาคตนี่แหละในยุคสมัยนั้นนะส่วนฤาษีที่เป็นลูกน้องบริวารกันเนี่ะพวกพระภิกษุสงฆ์ในยุคสมัยนี้แหละที่อนะพวกท่านทั้งหลายนี่นะ่ละนี่แหละ สรุปแล้วก็คือในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยบัญญัติสินต้องมีเหตุซะก่อนว่าสิ่งควรไม่ควรถ้าทำออกไปแล้วมันเสียหาย เ, เสียคุณธรรมทางจิตใจอย่างภาษาคัตตาอย่างนี้พอ่อแก่อนก็เเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์พอบไปอยู่สู้กับพญานาก่อน เหนือกว่าเพราะฌานโลกีของท่านกำลังใจของท่านเข้มแข็งกว่าแต่พอกินเหล้าเข้าไปเท่านั้นะหมดสภาพเลยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าผู้ใดไม่อยากจะหมดสภาพเนีเ่ยเป็นผู้เฒ่าผู้แกขึ้นมาแล้วสํารวมระวังถ้ากินเหล้าเมายาเข้ามาแล้วนะ่ะขาดสติอ่อยแอไปเรื่อยถูกหลานวงสาคา ญ, ญาติที่ให้ความครบนับถือ ก็ขาดความเคารพนับถือจะเป็นข้าราชการระดับไหนก็ตามถ้าดื่มธุระเข้าไปแล้วก็ลูกน้องก็ขาดความเคารพขาดความนับถื อ, อลดคุณภาพของตนเองลงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะอย่างที่หลวงพ่อพูด้จริงไหมอหลวงพ่อไม่ได้พูดให้เชื่อทีเดียวเลยไม่ได้พูดให้เชื่อทีเดียวไม่ได้ชักชวนใ ห, ให้เชื่อนต้องเอาเหตุผลมามาพิจารณามาวิเคราะห์ดู ริงหมายทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้นะ่ะตั้งสองพันกว่าปีเป็นยังไงอันนี้คือจัดว่าเป็นหวดศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลสมาธิกพยายามใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลดูกายดูใจของตนเองดูร่างกายดูความประพฤติของตนเองดูแนวความคิดของตนเอง เอาความคิดมาพิจารณาร่างกายของตนเองและก็เปรียบเทียบกายนอกพิจารณากายนอกกายในกายนอกก็คือพิจารณากายคนอื่นากายหญิงกายชายาแต่ละรูปแต่ละนามและก็ย้อนกลับมาพิจารณาเปรียบเทียบกับตนเองร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืชไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเรา มันเป็นของเถี่ยงแท้แน่นอนไหม่เป็นของอสุภะปฏิกูลไหมมันจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่มันจะอยู่นานไหมสาระของชีวิตนี่คืออะไรสาระของร่างกายนั่คืออะไรสาระของมนุษย์นั่นคืออะไรเราพิจารณานดูให้ดีเลยสาระของมนุษย์นั่นคือคุณงามความดีนะคุณงามความดีนะั่นเป็นประดับเรืองเป็น อสาระชีวิตอันที่แท้จริงที่ทางอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปรู้ธรรมที่ท่านได้ตัดสร้ธรรมธรรมะที่ท่านนำมาสั่งสอนนั่นแหละคือสาระพวกเราเคารพนับถือหนึ่งพระพุทธเจ้าเลยคือนับถือพระธรรมที่ท่านได้ตัดสรู้ธรรมแล้วท่านนำพระธรรมมา <c oughs> ประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานั่นละชี เป็นนั้นว่าสาระของชีวิตของคนคือคุณงามความดีถ้าว่าคนไหนก็ตามไม่ได้ทำคุณงามความดีแล้วหาสาระไม่ได้นะร่างกายก็หมดสภาพแล้วก็ตัวเองก็ทำความชั่วอีกเสียหายอีกผลที่สุด ก, ก็เลยสาระของคนนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยเหมือนกั น, นใจก็หาคุณงามความดีไม่ได้ร่างกายก็แตกกระจูจะตายอยู่แล้วไม่ว่าคน ระดับไหนร่างกายสังขารมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องราวของมันเพราะร่างกายมันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์เอาสาระเข้าตัวเองเอาคุณภาพเข้าสู่ตัวเองเอาศีลธรรมเข้าสู่สู่ตัวเองถ้าคนมีศีลมีธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วดัะเป็นผู้มีศักดิ์ศรีเป็นผู้มีคุณภาพ อ่เป็นผู้มีเนีเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายแต่ถ้าว่าเอาแต่ความชั่วซ้าเสียหายเข้ามาสู่ตัวเองนะไปใกล้ใครกัน ใ, ใครก็กลัวๆทั้งนั้ น, บบน่ะมันกันเถอเนีเพราะเหตุไรเพราะว่าเอบางทีไปใกล้เขาอ่ะเอีมันประเภทไหนอ่ไปป่นไปฆ่าไปโคดไปโกงไปเบียดไปบังเอีอย่างเนี้ยอันนั้นแปลว่าเอาความชั่วเข้าสู่ตัวเอง แตเอาคุณงามความดีเข้าสู่ตัวเองก็คือมีศีลมีธรรมไปที่ไหนมีจะให้ความผ่อนเย็นเป็นสุขมิตรแบ่งปันให้คู่ให้คนแนะนําสั่งสอนให้เป็นเขาเป็นคนดีอย่างน้อยกับตนเป็นคนดีก่อนฮะตนเป็นคนดีแล้วคนอื่นเขาก็เห็นแล้วเขาก็สบายใจต่อไปเขาก็เป็นคนดีกับเราไปด้วยโลกทั้งโลกก็มีแต่ความผาสุกเท่านั้นเพราะคนดีอยู่ด้วยกันแต่ถ้าว่ามีแต่ความ ไม่ดีอยู่ด้วยการละอูอันตรายมากมากนะไม่มีภัยไหนที่จะอันตรายยิ่งกว่ภาภัยเกิดจากมนุษย์นะภัยเกิดจากมนุษย์เป็นภัยที่ร้ายแรงมากมากเป็นภัยที่น่ากลัวอย่างมากๆและกับคุณก็เหมือนกันถ้าคุณเกิดจากมนุษย์เนี่ยเป็นคุณอันลึกซึ้งเป็นคุณที่สบายอกสบายใจลึกซึ้งเย็นอกเย็นใจ อย่างที่พวกเราได้ยินทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเรานั่งฟังแล้วก็เอนไตรตามด้วยเหตุและผลใจของเราเย็นสบายเข้าไปลึกๆเมื่อจิตสงบแล้วนั่นแนหะเพราะเหตุอะไรเพราะว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านสอนใจเ อ, อเอาหลักเหตุผลสอนเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเมื่อจิตใจของเราได้รับเหตุรับผลมีแต่ความสงบผาสุกนะ เอาตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะเปิด MP3 ให้พวกเราได้ศึกษาต่อไปหน้าที่นี้นะ